พุทธวสดีค่ะท่านฟังที่พบค่ะรายการสันสานีสนทนานะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว fm 1 0 6แห่งนี้ค่ะตามวันเวลาที่ผ่านไปถ้าหากว่าเราสังเกตเราก็จะได้รู้เลยนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพร้อมพร้อมกันกับวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปต้องบอกว่าในทุกๆเรื่องก็ว่าได้ แล้วแต่ว่าจะสามารถเห็นได้มากหรือสามารถเห็นได้น้อยหรือเราเป็นคนช่างสังเกตหรือไม่ช่างสังเกตนะคะรายการนี้ได้อยู่ที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว fm 106มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วหลักในช่วงนี้ก็มีพระมหาไพบุตอภิปุนโรนะคะท่านให้ธรรมะพวกเราเป็นผู้ที่ยืนให้ธรรมะตลอดทั้งสัปดาห์ ถึงวันพระหัสบดีกับวันศุกร์ก็อย่างนี้ค่ะจะมีดิฉันสันสื่อหน้าคพง์มาร่วมสนทนาด้วยมีท่านผู้ฟังที่ได้ช่วยทําให้รายการนี้มีประเด็นในการสนทนาเพิ่มขึ้นมาอยู่หลายท่านด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณและอ่านทบทวนไว้ในโะอากาสนี้นะคะส่วนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ช่วงเช้าของท่านดิฉันเชื่อว่ามีคุณค่ามากทีเดียวเพราะว่าท่านจะได้ฝึกปฏิบัติธรรม ถึงแม้ว่าเป็นเวลาไม่มากนักในห่วงเวลานี้ก็มีความหมายเลยเกินสําหรับชีวิตในวันนี้นะคะเราไปกราบนมัสการพระมหาภัยบุญอภิปุโนที่ท่านจะเมตตาฝึกปฏิบัติให้กับเราตั้งแต่ตอนช่วงต้นของรายการด้วยเลยค่ะนมัสการกันนะคะเจริญพรเรามาฟังธรรมะก็มาปฏิบัติธรรมกันด้วยการเริ่มฟังธรรมะด้วยการนําธรรมะเข้าสู่ใจโดยการที่เราตั้งสติขึ้นนั้นจะทาให้เรามีความเข้าใจในธรรมะได้ ธรรมะที่เราฟังผ่านทางหูเรื่องราวคอนเซปต์บางอย่างมันอาจจะบางทียากที่จะเข้าใจต้องมีการใไข้กรวนพิจารณาเราจะทําความเข้าใจความพิจารณาให้เกิดขึ้นได้จิตเราจะต้องเป็นสมาธิเราจะทําสมาธิความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเพ่งพิสูจน์เพ่งพินิพิจารณาให้เกิดขึ้นได้คุณจะต้องตั้งสติเอาไว้เราจะตั้งสติขึ้นได้คเครื่องมือที่เราใช้เราใช้ลมหายใจในการที่จะเป็นฐานที่ตั้ง ลมหายใจนั้นง่ายตรงจุดที่ว่าเราสามารถที่จะเห็ น, นจิตของเราเนี่ยมันไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรที่ชัดเจนแน่นอนมันเป็นสิ่งที่เป็นนามลมหายใจก็เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่แต่ว่าเราสามารถที่จะมาจับกันได้โดยการใช้ตำแหน่งที่เราเห็นอยู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่ดำรงสติไว้เฉพาะหน้าการดำรงสติไว้เฉพาะหน้านีก็คือบริเวณที่ทางเข้าทางออกของลมหายใจ เรารับรู้ถึงสัมผัสนั้นของลมหายใจได้ที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นที่ตำแหน่งนั้นจิตที่ตั้งไว้อย่างนี้แน่นอนบางทีมันก็จะมีความคิดนึกต่างๆผ่านมาผ่านไปบ้างเมื่อเรามีความคิดนึกต่างๆผ่านมาผ่านไปเราก็อย่าลืมหลงลมหายใจให้พยายามที่จะเอนจิตน้อมจิตของเรามาในทางที่จะมาอยู่กับลมสิ่งที่มาพร้อมกับลมคือสตินั้น ก็จะตังขึ้นเวลาที่จิตของเรานั้นตรึ ก, รกไปในทางใดจิตมันจะน้อมไปในทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความคิดมาผ่านมาผ่านไปถ้าเราตรตรึกไปจิตเราจะน้อมไปตรงนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีกําลังเราอยากให้จิตของเราน้อไปในความคิดนึกต่างๆแต่ให้จิตนั้นน้อมไปในทางที่จะอยู่กับลมหายใจ <ME> <se f. S 1> เมื่อจิตมาอยู่กับลมหายใจตั้งขึ้นไว้เป็นสติแล้วจิตนี้จะเป็นจิตที่มีฐาน จิตที่มีฐานพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับหม้อหม้อในสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นหม้อดินเวลาหม้อดินมันแตกง่ายเขาก็จะทําให้ก้นมันกลมๆเพื่อให้มันรับน้ําหนักได้เยอะเวลาก้นกลมๆของหม้อวางไวแล้วมันก็จะกลิ้งถลาถลายไปได้ก็ต้องมีฐานรองเรียกว่าสเวียนรองก้นหม้อสเวียนรองก้นหม้อนั้นก็เปรียบเทียบไว้กับเหมือนจิตของเราเนั่นเองถ้าจิตของเราเหมือนกับหม้อ จิตของเนั้นจะต้องมีฐานที่จะรองอไว้แม่ให้จิตนั้นมันกลิ้งไปแม่ให้จิตนั้นมันหมุนไปฐานที่จะมารองจิตสวียนรองจิตนั้นก็คือมรรค8เราจะทำมรรคแปให้เจริญได้เราเริ่มที่การตั้งสติของเราขึ้นไม่ว่าเราจะเริ่มจากจุดไหนก็ตามเถอะเราจะเริ่มจากการที่เรารักษาศีลก็ต้องตั้งสติขึ้นละฉันจะไม่ทําผิดศีลฉันจะทําให้มันถูกศีลคุณก็ต้องมีสติละมีการระลึกได้ที่ถูกต้องเมื่อมีการระลึกได้ที่ถูกต้อง สิ่งที่จะตามมาคือความเพียรคือสมาธิก็จะตามมาหรือถ้าเราจะเริ่มจากการพูดจาเราจะพูดจาสิ่งดีสิ่งงามเป็นสัมมาวาจาไม่พูดจาสิ่งไม่ดีไม่งามที่เป็นมิจฉาวาจาเนี่ยการที่เราจะคิดว่าเราจะมาทาตรงนี้เราจะละตรงนั้นความคิดการที่เราตั้งสติขึ้นนั้นก็เป็นสัมมาสติแตเราจะมาจากทางไหนไม่ว่าจะมาจากทางกายทางวาจาหรือทางความคิดก็ตาม นี่ก็จะเป็นสัมมาสติก็จะเกิดขึ้นมาพร้อมกันเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วจะทําให้เรามีสมาธิมีสมาธิแล้วจะทําให้เราเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงแล้วเราจะมีความเข้าใจพิจารณาธรรมะใคร่กรวณฟังธรรมได้อย่างเข้าใจได้ในการปฏิบัตินี้สามารถทําได้ในตลอดทั้งวันการที่เราทําฝึกทำอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้จะเป็นเหมือนกับชั่วโมงบินที่จะทําให้เราจิตของเรานั้นมีความเข้าใจในธรรมะมากขึ้นได้อาจารอมสัตวทุกค่ะ ทัานได้เปรียบสเวียนบาทสเวียนรองก้นหม้อค่ะเอาไว้สําหรับรองก้นบาทใช่ไหมคะชซึ่งก็คงจะทําให้พวกเราเข้าใจกันมากขึ้นอืมว่าก้นเนี่ยไม่เรียบก้นบาทส่วนใหญ่ไม่เรียบถูกไหมคะเออถ้าใช้บาทในปัจจุบันก็จะเห็นภาพชัดเจนกว่านะเพราะว่าถ้าหม้อ<ะ>ในสมัยปัจจุบันก้นมันจะเรียบใช่ไหมแต่แต่ถ้าบทเพรียชนะของพระพุทธเจ้าจริงๆคือหม้อะนะอม้อเหรอคะใช่เป็นหม้อ แต่หม้อปัจจุบันก้นมันไม่ได้กลมไงหม้อคือคำว่าสเวียนสวียนเนี่ยเป็นที่ชนะของพระพุทธองค์คือสเวียนรองก้นหม้อถูกต้องถูกต้องอบาศสมัยปัจจุบันก็ก็ไม่กลมเหมือนกับหม้อดินสมัยเก่าก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเป็นที่ก้นมันจะก้นมันจะกลมๆอ่ะบาศจะเป็นอย่างนั้นเออก็เหมือนกับหม้อในสมัยก่อนใช่ใช้บาศนี้จะเห็นภาพกว่านะในปัจจุบันใช่ครับเพราะว่า อันนี้ดิฉันถามเผื่อผู้หญิงนะคะซึ่งโอกาสที่จะไปสัมผัสบาทถ้าไม่ไปซื้อบาทไปถวายพระเนี่ยก็คงจะไม่ได้เห็นใกล้ชิดหรือแม้แต่บางครั้งซื้อบาทเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สังเกตขนาดนั้นดนั้นเลยอยากกราบเรียนถามท่านนะค ะ, ะนึกถึงเวลาที่จะไปทอดผ้าป่าในวัดป่าไกลๆนะคะเราก็จะมีการถามว่าจะถวายอะไรในกลุ่มในหมู่คณะคนนั้นคนนี้มสมมติว่าเราจะคิดถึงการถวาย บาทเป็นสิ่งที่ข้อที่หนึ่งนะคะสมควรจะซื้อถวายพระหรือไม่และในโอกาสใดหรือเมื่อไหรก็ได้ค่ะอ๋อถ้าพูดถึงจากมุมกว้างก่อนคุณยมเตียวกันให้ทานเป็นสิ่งดีแน่นอนการให้ทานนะเป็นสิ่งดีแน่นอนแล้วเราให้ในเนื้อนาบุญอันนี้ดีแน่นอนก็ต้องดูด้วยว่าที่คุณหาปัจจัยมาให้เนี่ยเงินที่คุณเอาไปซื้อมันบริสุทธิ์ไหมถ้าบริสุทธิ์อันนี้ดีแน่นอน แล้วก็สิ่งที่คุณให้เป็นปัจจัยสีที่หมาแก่สมณเจบบริญพวกไหมถ้ามันเป็นในกรณีนี้นคือบาทใช่ไหมอันนี้ก็ดีแน่นอกใช่ไหมทีนี้ถามว่าคำถามที่เฉพาะเจาะจง ม, มันก็คือว่าควรจะทำหรือไม่คำตอบก็คือควรค่ะดิฉันอยากทราบว่าคือเหมือนกับเคยเข้าใจว่ามีพระวินยัยให้ประสงค์เนี่ยเหมือนกับ มีบาทเพียงแค่ใบเดียวอคนเป็นบริการเขาเรียกเป็นบริการนะคะถูกต้องทีนี้ก็เลยสงสัยว่าก็เมื่อบวชเนี่ยท่านก็จะมีบาทกันแล้วอืแล้วถ้าท่านจะมีใบที่สองสมมุติเกิดวัดนั้นก็มีคนไปเยอะหรือมีคนใจตรงกันอืก็ถวายบาทอยู่นั่นแหละอ๋ออันเหมาะอันนี้ควรหรือไม่คะแล้วพระจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระวินัยอย่างไรโอเคพระนี่ต้องมีบาทใบเดียวแน่นอนใช่ไหม ตามพระวินยัย<ะ>ทีนี้ว่าถ้ า, ามีคนมาถวายพระองนั้นก็จะพิจารณาดูว่าเราจะเปลี่ยนบาทรไหมจะเปลี่ยนบาตรไหมก็สามารถเปลี่ยนบาทได้นะแต่มื่จะมีพระวินัยอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าบาทเนี่ยมีแผลไม่ต่ํากว่า5หรือมีรูทะลุเล็กกว่าขนาดนีน้ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกก็สามารถ<ะ>ที่จะขอให้เปลี่ยนบาทได้ แต่ถ้ามีแล้วเล็กกว่าหรือว่ามันมีรูทะลุอยู่แต่ว่าไม่ถึงห้าก็อย่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนบาทอย่าพึ่งเปลี่ยนบาทนี่ ค, คือหมายถึงว่าการที่จะไปขอร้องให้มีการเปลี่ยนบาทเนี่ยคุณคุณทําไม่ได้แต่ถ้ามีคนออกมาถาวายโดยที่เราไม่ได้ร้องขอพระรูปนั้นสามารถที่จะพิจารณาเปลี่ยนบาทได้ออเห้านี่ห้าอะไรคะหนวดวัดอะไรคะห้าห้ารูอ๋อห้า่าแผลแผลแผลขอไปแผลตําหนิดังนั้นนะถ้าที่ฉันจะสรุปก็คือว่า ถ้าผู้ศรัทธามีศรัทธาที่จะถวายภาชนะสําหรับการใส่อาหารซึ่งเป็นปัจจัยอันควรแก่สมณบริโภคบ้า่เป็นปัจจัยควรแก่สมณบริโภคเราทํามาหากินมาด้วยความบริสุทธิ์เอางเงินนั้นไปซื้ อ, อเตรียมไปถวายอมไม่ต้องไปสนใจว่าพระนั้นท่านจะมีบาต์อยู่แล้วกี่ใบจะได้ใช้ของเราหรือไม่อย่างนั้นหรือเปล่าคะแล้วเราจะได้บุญไหมคะอได้บุญแน่นอนถึงแม้ว่าท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตาม เราก็จะได้บุญแน่นอนเนี่ยนะเพราะว่าเนื้อนามีปัะจัยที่เราหามาถูกต้องเหตุประจัยในการได้บุญมีทั้งนั้นทีนี้อย่า ง, างกริณถิ่งของธรรมาคือถ้าคุณโยมติ๋วถามเฉพาะเจ้าจงว่าอย่างพระมหาไปบุญเนี่ยได้บาทปีละกี่ใบรับมาเนี่ยก็มีนะมีอยู่เรื่อยๆถามว่ารับมาแล้วเปลี่ยนไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเราเอาไปทําอะไรพระนี่เวล า, เารับมาใช่ไหมรับปัจจัย4ที่ควรแก่สมณะจะบริโภคเนี่ยบางทีข้าวกินไม่หมดบางทีจีวรก็มีเยอะบางทีบาทก็มีอย่างเงี้ย แล้วทำยังไงก็จะเก็บเข้าไปในคลังเดีย๋ยวจะมีผู้ที่รักษาคลังของสงเอาไว้แล้เก็บไว้ทําไมก็เผื่อว่ามีใครเขาต้องการใช้ก็เอามาเปลี่ยนได้นก็จะไปเบิกกับคลังตรงนี้ได้คลังสงได้ก็จะมีผู้ที่รักษาคลังสงอยู่เขาก็จะมีบทละ่ะเพราะว่าถ้าปัจจัยสี่มันเยอะเกินไปก็เอาเข้าตรงนี้ไปไนสําหรับพระบวชใหม่ก็ตามอะไรเงี้ยนะทีนี้ขออนุ ญ, ญาตถามต่อไปอีกนิดหนึง ไ, ได้ไหมคะไ ด, ไดะ้และ ไตรจีวรก็เช่นเดียวกันอย่างนั้นไหมคะถูกต้องถูกต้อ ง, องนะคะคือถ้าตั้งใจถวายแล้วถวายไปเถอะอืมไม่ต้องไปคิดต่อเอาจิตที่ตั้งใจที่จะให้ละความตรนีน่ะถวายไปใช่ออีกอย่างหนึ่งนะคะสมมุติว่าเป็นวัดที่มีวินัยหรืออาจจะตั้งอยู่ในที่ที่ยังไม่เจริญไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ได้การถวายแสงไฟถวายไฟฉาย ท่านเคยอยู่ในวัดลักษณะนี้ไหมคะดิฉันอยากจะทราบว่าการถวายไฟฉายทานไฟฉายเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรหรือไม่เคยอยู่ก็ใช้ไฟฉายใ ช, ใช่ต้องมีไฟฉายแล้วก็เทีย น, นเทียนที่สาหรับจุดเวลาเดินจงกรมคือถ้าเดินจงกรมเป็นเป็นชั่วโมงชั่วโงเนี่ยใช้ทานไฟฉายมันจะมันจะไม่ไม่พอแล้วไม่ไม่ประหยัดไม่เอฟเฟกติฟก็ใช้เทียนใช้เทียนตามในกุฏิเงี้ยบางทีเปิดเป็นชั่วโมงใช้ไฟฉายมันมั น, ม, นมันเปลือง ก็ใช้เทียนเอานี่ก็จะ oh. มีเทียนกับไฟฉายแล้วก็ทานไฟฉายอันนี้ได้อยู่ค่ะ เ, เคยได้ยินเรื่องการให้ข้าวให้อาหารให้น้าว่ามีอา น, นิสงฆ์มากเปรียบเทียบกันกันกบเทียนกับบาจีวอนนี่อย่างใดที่ถวายแล้วจะได้อา น, นิสงฆ์มากกว่ากันคะ oh. พระพุทธเจ้าไล่มาจากเรื่องของอาหารก่อนนะอาหารเนี่ยกินมื้อหนึ่งมันอยู่ได้วันหนึ่งนะอาหาร <Okay. S 1> เพราะว่าอยู่ได้วันเดียวจีวรเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มก็จะอยู่เป็นปีปีหนึ่งหรือสองปีก็ว่าไปนะที่ <Okay. S 1> ขึ้นไปกว่านั้นเช่นเสนาสนะนะปัจจัยสี่คือเสนาสนะอันนี้อยู่ได้นานกว่าหลายคนใช้ได้มากกว่า <Okay. S 1> นะคือปัจจัยสี่เสนาสนะก็เช่นกุฏิวิหาร พวกนี้ก็จะไล่ขึ้นมานะส่วนเจ็บป่วยนี่ก็เป็นเคสเคสกรณีไปนะปัจจัย4ีนี่ก็จะครบนะเพราะนั้น <Okay. S 1> อันที่สองที่จะสูงที่สุดก็คือเรื่องของเสนาสนะนะอันนี้พ <Okay. S 1> ิจารณาจากอะไรพิจารณาจากประโยชน์ที่จะได้รับกับคนหมู่มากแล้วก็เวลาที่จะเกิดขึ้นนะอาหารนี่มัน ค, คือได้วันเดียวนะอ่าจีวรก็ได้เป็นปีใช่ไหมแต่เสนาสนะน <Okay. S 1> ี่ได้หลายอ่าหลายปีแล้วก็ได้หลายคนนะก็พิจารณาตรงนี้แต่ว่าบุญบุญนะบุญ บุญเนี่ยอยู่ที่ผู้ให้และผู้รับว่ามีคุณสมบัตินี้หรือไม่แตมีศรัทธาก่อนะระหว่างและหลังสำหรับผู้ให้มีราคาโทสะโมหะน้อยหรือไม่มีเลยสำหรับผู้รับอันนี้คือเหตุปัจจัยที่คุณจะได้บุญมากหรือบุญน้อยไม่ได้เกี่ยวกับว่าของนั้นจะเป็นอะไรค่ะโอเคนะสาธุค่ะค่ะมาถึงคำถามของคุณไปพิจารณากันนะคะท่านฟั ง, ฟางมาถึงคาถามของคุณนะริมนค่ะคุณนะริมน ถามเรื่องเกี่ยวกับอาหารค่ะเห็นปอนเห็นด้วยเออขออภัยค่ะด้วยเห็นเห็นไหมภาษาไทยสลับคําปุ๊บเป็นคนละเรื่อง <laughs> ด้วยเห็นคุณค่าของการรับประทานอาหารน้อยตามพระสูตรกีตาคิริสูตรดิฉ mm hmm. ันอ่านถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องแต่เพราะความเจ็บป่วยที่ทําให้ต้องกินอาหารบ้านเพื่อกินยาและยอมรับว่ายังมีความยินดีในกามและไม่พิจารณาโดยแยบคายทําให้ซื้อของกินโน่นนี่นั่น มากินบ้างแต่ก็สามารถเว้นมื้อเย็นวงเล็บถือสีลห้าค่ะได้หลังจากไม่ต้องกินยาวงเล็บแต่อาการป่วยยังมีอยู่และการผ่อนปริมาณกับประเภทของอาหารในมือ้อกลางวันซึ่งความพยายามแบบรูบๆคำคลำในช่วงสามเดือนกว่าส่งผลทำให้เนื้อเหือดแห้งไปน้ำหนักลดไปประมาณสิบกิโลแม้ว่าจะพยายามทาจิตให้เป็นอุเบกขากับการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยอมรับว่ากิเลสตัณหา ยังมีอยู่มากอมขอถามคำถามดังนี้ค่ะหากจะปฏิบัติตัวเพื่อศีลอันยิ่งตามพระสูตรกีตาคิริสูตรที่ปัจจุบันเธอศีลห้าอยู่เนี่ย น, นะคะเพื่อทำธรรมะตามฉันโนวาดสูตรและสลายตระณวิพังฆาสูตรดูดิฉันไม่รู้จักสักสูตรหนึ่งกร <laughs> ะเพาะร่างกายจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการปรับตัวให้เกิดสมดุลกับวิธีการบริโภค ที่เปลี่ยนไปและควรพิจารณาอย่างไรคะโ okay. อเคเอาพื้นฐานก่อนนะที่ตัวแม่บทเราเริ่มที่ตัวแม่บทที่คุณนรุมล น, นี่เขายกขึ้นมาคือกีตาคิริสูตรก่อนแตนะ่คืนนี้พระสูตรที่พูดถึงคุณก้าแห่งการฉันอาหารน้อยแต่พนะระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรนี้ที่ภูเขากีตาภูเขาชื่อกีตาคิรินี่หมายถึงภูเขาใน่นี่ที่1ก็เพื่อว่าให้กินน้อยให้ฉันมื้อเดียวตรงนี้รายละเอียดย่อๆแค่นี้ในกีตาคิริสูตร ส่วนในชันโนวาทาสูตรชันโนวาทสสูตรก็คือโอวาทให้กับท่านพระช น, นะท่านพระชนะ น, นี่ไม่ใช่รูปที่ อ, ออกขีมะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รูปนั้นเป็นอีกรูปหนึ่งคแต่พระช น, นะท่านนี้ท่านป่วยป่วยมากจนกระทั่งว่ า, าทนไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายนะท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีโอวาทที่ท่านพระสารีบุตรเอาไปให้กับท่านพระชนะอันนี้คือเป็นชันโนวาทสสูตรแล้วก็สลายัตนาวิพังคสูตร อันนี้ก็คือเป็นประสูิ์ที่พูดถึงอายตนะทั้ง6ว่าควรจะพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาในย่ยอๆ ต, ตรงนี้เพราะฉะนั้นคำถามของคุณนรุมน์สรุปก็คือว่าเอธาแบบว่าอย่างยินดีในอาหารเนี่ยแล้วเราจะพิจารณาอย่างไงเพราะปัจจุบันก็มีบริบทของคุณนรุมน์ก็ต้องกินยาบ้างก็ยังชอบกินนั่นนี่นอนอยู่บ้างแล่วิธีการพิจารณาคุณจะทําอย่างไร <Okay. S 1> เราเราเข้าไปอ่าทีละอย่างไปดีละอย่างนะ ในเรื่องแรกก่อนก็คือว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายคนที่ป่วยเป็นไข้นั่นนี่โน่เนี่ยในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมีข้อยกเว้นอยู่แต่เพื่ออะไรเพื่อให้เวทนามันระ ง, งับเราต้องก็ต้องมาพิจารณาเรื่องเวทนาด้วยว่าคนที่เจ็บไข้เนี่ยก็จะมีเวทนาในเวทนาเช่นปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้พอมีเวทนาแล้วจะทําให้จิตมันไม่สงบแต่เพราะนั้นทํำไงอะ่ะก็ต้องทํายังไงล่ะให้มันสมดุลกินอะไรสักอย่างหนึง่ง เพื่อที่จะให้เวทนามั น, มนระ ง, งับเพื่อที่ให้จิตคุณสงบทีนี้บางคนสามารถฝึกจิตดีแล้วเวทนาอะไรมาเขาก็แฮนเดิลได้ไม่ต้องพึ่งอาหารโอเคนะคุณคุณจำติวเข้าใจประเด็นนี้นะว่า <Okay. S 1> บางคนถ้ายังทําไม่ดีภาวนาไม่ดีคุณมีเวทนาเกิดขึ้นคุณใช้จิตคุณรักษาแก้ไขไม่ได้คุณก็ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกเพราะฉะนั้นปัจจัยภายนอกในที่นี้ก็คืออย่ารักษาโรคบ้างอาหารบ้างที่มันถูกทา่าดก็ว่าไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอกินแล้วเพื่อที่ใช้เวทนาะงับแล้วฝึกจิตให้มันยิ่งขึ้นไปเพราะว่าวันที่อาหารมันจะไม่มียาจะไม่มีหรือเจ็บไข้ชนิดที่ยารักษาไม่ได้อาหารรักษาไม่ได้ที่รักษาได้มันไม่มีแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงให้จิตเราเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้อันนี้นี่คือข้อที่1นึ่ง <c oughs> แต่ประ น, นมันจะต้องตกมาที่ตรงตัวจิตอ่ะคุณจะทำยังไงตรงนี้ให้มันให้มันได้นี่คือในเรื่องของสุขภาพร่างกายและในข้อที่2ที่พูดถึงการพิจารณาอย่างไรในการพิจารณาอย่างไร พิจารณาอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าอันนี้มีข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกว่าอะไรที่แบบว่าบางทีเราอยู่ง่ายๆเคยชินว่าเรากินนั่นกินนี่ใช่ไหมเราก็เคยชินกินอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วให้เวทนาบรร ง, งับไปแต่ถ้าเราทําอะไรง่ายๆสบายตามใจเราแล้วถ้าอกุศลธรรมมันจะเกิดอันนี้อย่าทําแต่ถ้าทําอะไรที่มันยากเช่นอดทนนี่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะคุณยมติ คนอดทนมีขันติมีโสระจากความสงบเสงี่ยมอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ทําได้ยากโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่โดนด่าหนักๆถูกกดดันหนักๆแล้วคุณยังยังอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ได้เนี่ยทำได้ยากถ้าอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยทำได้ยากนะแล้วกุศลธรรมเกิดนัแล้วกุศลธรรมเกิ ด, กกดให้ทําให้ทําอันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับลูกศรลูกศร น, นะถ้ามันงอเนี่ยมันก็ใช้หญิงไม่ได้ทําไงอะ่ะเขาก็าจะต้องดัดให้มันตรง แล้วเวลาดัดให้มันตรงเนี่ยมันก็ต้องเอาไปเผ า, าด้วยไฟใช่ไหมเอาไปผ่านความร้อนนะเอาไฟมารน่นแล้วก็ไปจุ่มน้ําข้าวแล้วก็ดัด ก, นะการถูกร้นไฟการจุ่มน้ําข้าวแล้วการดัดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการที่ต้องใส่ความเพียรเข้าไปอยนะเช่นเดียวกันปเปรียบเทียบกลับมาถึงการที่เราทําความเพียรนะดํารงตนอยู่ในความลําบากแล้วกุศลธรรมเกิดให้ดํารงตนอยู่ในความลาบากซะเพื่อที่อกุศลธรรมมันจะได้ดับไป ให้พิจารณาอย่างนี้ก็ได้คืออย่าเห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆให้สละความสุขเฉพาะหน้าเล็กๆน้อยๆอยเพื่อที่จะให้เกิดความสุขที่มันยิ่งกว่าดีกว่านะคือเราก็พิจารณาอย่างนี้ได้ทีนะ น, นี้คําถามของคุณนรุ่นก็คือว่าจะทําไงให้เกิดมีความสมดุลให้เกิดมีความสมดุลเพราะว่าถ้าเรางั้นฉันจะฝึกจิตอย่างเดียวให้มันเข้มข้นไปเลยกินไม่กินหักดิไปเลยเราถ้าตายละ่ะ แต่ถ้าตายมันก็จะไม่ได้ทํานะก็ตรงเนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเอางั้นก็เพื่อรักษาโรคไม่ให้ตายแต่เพื่อให้ชีวิตเป็นไปได้แต่เพื่อให้ชีวิตเป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งตายอย่าให้มันถึงขนาดตายแต่หรืออยาให้กระดนถึงว่าปฏิบัติไม่ได้แต่ก็ต้องก็ต้องรักษาจุดสมดุลตรงนี้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าอะไรก็อ่อนแออ่อนแอตามกิเลสโอ้ฉันหิวนิดนึงฉันก็กินอย่างเงี้ยอ่าฉันง่วงนิดนึงฉันก็นอนอย่างเงี้ยฉันนั่งไปนิดนึงฉันฟุ้งซ่านฉันก็เลิกอย่างเงี้ย อั น, นี่คือมันก็ตามใจกิเลสเกิดไปคุณก็ต้องฝืนก็ต้องสู้ในการฝืนการสู้ตรงนี้ก็เป็นความเพียรของเราแต่ตรงนี้เราก็ค่อยๆปรับเอาอย่างนี้นะคช่คไหมคะเดี๋ยวฉันกลับเดี๋ยวถามเนี่อหากว่าอยู่ในห้วงเวลาของการปฏิบัติเนี่ยนะคะมีความตั้งใจมากแต่มีความรู้สึกว่าแมาได้จิบชาหรือกาแฟสักนิดหนึ่งเพื่อทําให้สดชื่นขึ้นอืแล้วก็จะปฏิบัติได้ต่อเ น, น, น, นื่องยาวมาอย่างนี้ จะถูกหรือผิดคะได้ไหมคะถูกยังไงถูกยังไงผิดอะมาจะแยกยายให้ฟัง<อ> à, คืเหมือนกับว่าโอเคตามโดยโดยโด ย, โดยทั่วไปมันก็ทําได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาถูกไหม<ช> ถ, ถ้าที่สถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นหรือว่าที่บ้านเรามีชายมีกาแฟ เ, เราก็กินได้ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้อะไรที่มันเอาที่ถูกก่อนนะเ ช, ชื่อไหมถ้าเราดื่มแล้วแล้วเรามีการพิจารณาเสยโดยแ ย, ยบคลายว่าดื่มเพื่อระงับเวทนา ันนี้คือถูกไม่มีปัญหาถูกโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราดื่มแล้วแล้วมันไปเพิ่มตันหาของเรานะว่าฉันได้ทำตามความอยากนะความอยากเนี่ยจะไม่ได้ระงับไปได้ด้วยการทำตามความอยากแต่ระงับไปได้ด้วยการทำตามมาร์กแโอเคนะ <c oughs> ถ้าสมมติว่าเราอยากอยากได้สิ่งนี้แล้วเราได้มันจะสบายแล้วถ้าสบายแล้วนั่นคือตันหาเกิดตันหามันจะเจริญ ง, งอกงามไหม ถ้าตันหาจะเจริญงอกงามการกระทํานั้นมันไม่ถูกมันผิดโอเคนะค่ะในทางกลับกันเราจะมาอธิบายตรงทางกลับกันทางกลับกันถ้าคุณอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคุณไม่ได้มันไม่สบายนะแต่ถ้าไม่สบายแล้วตันหามันดับไปคุณจเจริญอยู่ในมรดได้เออนี้การกระทํำนี้มันยกหน้าคนรจะยกย่องเป็นสิ่งดีหมามยมความว่าไงเนี่ยหมายความว่า ถ้าคุณกินแล้วรับผิดชอบตัวเองอถ้าคุณกินแล้วแล้วคุณ เ, ออเกิดมีความอยากสบายใจแล้วก็แฮปปี้ว่ามีสิ่งภายนอกเกิดขึ้นแบบนี้ฉันก็สบายใจอันนี้คือความสบายใจที่ยังเป็นอามิต h อามิตรจากสิ่งภายนอกไงว่าจะต้องมีชามีกาแฟดื่มแล้วถึงจันถึงสบายใจถ้าไม่มีแล้วฉันจะไม่สบายใจอย่างเงี้ยอันนี้มันอยังพ<ด>ึ่งไปเนาะเข้าใจว่าเป็นเรื่องความสบายกายมากกว่านนะคะเหมือนกับบางครั้งบางคน สามเสษติดบางอย่างอย่างเช่นกาแฟอย่างเช่นบุรี่นะคะท่านคะคือเหมือนกับว่าในเวลาที่ยังเลิกไม่ได้นะคะเหมือนกับคนที่เสพมานานๆเนี่ยแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความไม่สบายกายมันจะมีอาการต่างๆนานาเช่นปวดศีรษะตลอดเป็นต้นนะคะทีนี้ถ้าได้คาเฟอีนเข้าไปนิดนึงได้นิโคตินเข้าไปหน่อยอาการเหล่านี้อาจจะระงับลงคือเวทนา จะเบาบางลงอย่างนี้ค่ะเหมือนรับประทานอาหารนะคะแล้วถ้าเป็นในลักษณะที่ท่านพูดว่ า, าไม่ได้ทำให้เกิดตันหาไม่ไม่ได้ทำให้เป็นตันหาแต่เป็นการดับเวทนาคืออาจจะเพียงเล็กน้อยพ อ, อให้ผ่านตรงนี้เพราะตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิให้รอดหนึ่งชั่วโมงนี้ไปได้แต่แม้เป็นหนึ่งชั่วโมงที่เกิดอาการขาด สารเสร็ติดเหล่านี้พอดีอดังนั้นก็คือพิจารณาเพื่อที่จะระงับเวทนานี้มันได้อยู่แล้วไงใ น, ใ น, ในทางคาสอนของพระพุทธเจ้านะกินอะไรก็ต้องเพื่อระงับเวทนาแต่อย่าเข้าข้างตัวเองถูกไหมคะเพราะไม่มีใครไปทราบอ่าอาการมากน้อยภายในของแต่ละคนของเราเใช่ต้นตหาเนี่ยคุณยมติวมันมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะมันจําเป็นตรงนั้นถ้าเราอยากมากเนี่ยยิ่งจําเป็นมากอะไรก็ตามมาคุณงัดขึ้นมาเถอะมันก็ มีข้ออ้างที่มันจะมีความจําเป็นขึ้นมาได้ถ้ายิ่งยากมากเท่าไหร่ยิ่งจําเป็นมากเท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงอยากกราบเรียนฐานท่านต่อนะคะว่าในสมัยพุทธกาลดิฉันเข้าใจว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันก็อาจจะมีมานานแล้วแต่อาจจะไม่ใช่ชากาแฟบุหรี่แบบนี้สัทีเดียวอืมผูดที่ไปฝึกปฏิบัติมีการมีโอกาสเขาเรียกอะไรคะมีทางออก ที่ถูกต้องในสมัยนู้นให้ไว้อย่างไรหรือไม่คะเรื่องเหตุปัจจัย4ี่เรื่องของปัจจัย4ีเนี่ยนะอันนี้มันก็แล้วแต่บุญกุศลของแต่ละคนด้วยว่าถ้าคุณมีร่ํารวยหน่อยก็จะมีปัจจัยสี่พร้อมูลถ้ายากจนหน่อยก็จะมีปัจจัย4ี่อัตคัดสำหรับคนที่มีปัจจัยสอัตคัดแล้ก็จะไม่ได้สิ่งที่ตัวเองอยากจะได้อันนี้คุณก็ต้องอดทนเอาก็ตามที่บุญกรรมคุณเป็นอย่างเนี้นะแต่ละคนที่เขามีเขาก็จะมีได้ เขาก็จะมีเครื่องบริหารอะไรต่างๆเพียบพร้อมกว่าคนที่เขาจนที่เขาไม่มีสําหรับพระสงฆ์เนี่ยที่ว่า<ะ>ต้องไปขอข่าวอย่างงี้นะไม่ได้ท<ะ>ํากับข้าวเองไม่ได้มีอุปสงค์อะไรต่างๆเองเนี่ยก็จะ<อ>ต้องมีสกุลที่อุปถากมีสกุลอุปถากที่ว่าเฮ้ยถ้าป่วยนะก็ให้มาบอกได้นะพระก็จะไปบอกว่าเออตอนี้ป่วยเป็นโรคนี้นะออขอเครื่องบริหารนี้นี้นี้เครื่องบริหารนั่นก็เช่นน้ําต้มเนื้อบ้างเช่นยารักษาโรคอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหม แต่วนี้พอรักษาไปถ้ามันดีขึ้นก็ดีมันก็จะมีจุดที่รักษาไม่หายไหนก็จะมีจุดที่แบบว่าคือคนจะตายอ่ะยาดีแค่ไหนมันก็ไม่หายอ่ะตอนนั้นอ่ะคือจุดที่ว่าเราจะต้องทําจิตอย่างไรนี่แหละคือประเด็นว่าเราทําจิตอย่างไรเพื่อที่จะให้เราแม้จะมีความตายหรือความเจ็บมาอยู่เฉพาะหน้ามีเวทนาที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยเราก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้ตรงนี้คือคีย์เวิร์ดนะคุณโยมติวว่าเราจะทําไงให้เราเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้ถึงแม้เราจะไม่ได้กิน โอ้แต่ถ้าเราเชิงทำจิตอย่างนั้นไม่ได้น ะ, ะก็ขอกินซะหน่อยหนึ่งมันจําเป็นก็กินเถอะเพื่อให้คุณยังพอปฏิบัติได้แต่อย่าลืมนะว่าถ้าบางทีบางจุดมันไม่มีหรือเวทนานี้มันดับไม่ได้ด้วยยาประเภทนี้แล้วคุณจะทํำยังไงนะก็คือถึงจุดต้องมันมันต้องมีจุดที่เรียกว่าต้องหักดิบอ่ะต้องหยุดอ่ะต้องต้องแบบว่าทําจิตให้ได้อ่ะคือจบแก้นั่นไนงะมันจะจบตรงนี้ค่ะอที่นี้เคยได้ยินว่าการระงับการง่วงของพระปฏิบัติ ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีใช้เดินสลับกับการนั่งอืมใช่เดินนี่ได้ผลดังนั้นถ้าดีที่สุดก็คือวิเคราะห์ว่าเป็นตันหาที่มีอกุศลหรือไม่จริงๆตันหามันน่าจะเป็นอกุศนทูกมครับถูกต้องตันหาเป็นอคุสนนะครนตัวตันหามขึตัวค่ะใช่ก็ถือโอกาสการไปปฏิบัติเนี่ย พยายามหลุดตัวเองจากการเป็นธาตุ ใ, ในสิ่งเหล่านั้นเสียเลยใช่วิธีพระบุทรเจ้า ใ, ให้พิจารณาอย่างนี้คุณยมติว๋วไม่ว่าคุณจะใช้ศีนาสนะกุฏินี้หรือว่าจะกินสิ่งนี้จะเสพสิ่งนั้นจะมองดูสิ่งใดก็ตามจะคบเพื่อนคนนี้เนี่ยถ้ากินเสพดื่มคบคนนี้แล้วเนี่ยนะแล้วอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมไปอย่าใช้ตรงนั้น อย่ากินสิ่งนั้นอย่าคบคนนั้นอย่าไปที่นั่นนะ น, นี่คือข้อที่1แต่ถ้าแต่ถ้ากินสิ่งนี้อยู่ที่นี่คบคนนั้นไปที่นั่นแล้วกุศลธรรมมันจะเจริญอกุศลธรรมมันจะเสื่อมไปเออให้ไปให้กินให้เสพให้อยู่ได้วันนี้นะอ่ค่ออ ะ, ะกุศลธรรมคืออะไรอกุศลธรรมคืออะไรแล้วก็แยกแยะไว้ว่าคือกุศลก็มาบท10อยาง อกุศลก ร, รมบทสิบอย่างทางกายทางบาจาระ<า>ทางใจนั่นเองเช่นพอนค่ะค่ะ ส, สาธุค่ะก็หมืยว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีรายละเอียดแ ต, ตกต่างกันไปเยอะแยะดังนั้นการที่จะรู้หลักของการจาปฏิบัติก็จะได้ทำให้เราสามารถนำไปสังเคราะห์เข้ากับรายละเอียดในการดำเนินชีวิตที่เป็นของเราในแต่ละผู้คน เพื่อให้การปฏิบัติหรือการตั้งใจของเราที่จะเดินตามาตมัชนั้นดําเนินไปด้วยดีใช่ใชจริงจริงวันนี้อันมาอยากจะเชื่อมโยงแบบนี้นิดนึงเราพอจะมีเวลาสักสองสามนาทีในช่วงท้ายๆตรงนี้อว่าจริงจริงหลักการที่เราเอาเรื่องของกุศลและอกุศลมาในการพิจารณาเนี่ยอันนี้คือหลักของการลำพูรเลยคือสมมุติว่าคนเนี้ยคุณโยมติ๋วได้ฟังมาจากคนนั้นคนนั้นเขาว่าอ่างนี้นี้แต่ว่ากูบาใจคนหนึ่งหรือว่าอีกคนหนึ่งเขาว่าองั้นๆัเออแล้วเราจะพิจารณาไง เราก็พิจารณาตามกุศลอกุศลตรงนี้มาตรงหลักการที่กำลังมาสูตรที่ว่าอยาเชื่อเพราะสิ่งนี้อย่างนี้เท่านั้นอย่างนี้นนะเพราะตําราเขียนว้เพราะคนนั้นว่าอย่างนี้เพราะนี่คือาศาสดาราเลยกันว่าไป10ข้อเนี่ยในกำลังมาสูตรเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ที่เราจะมาพิจารณาแต่ที่เราจะต้องพิจารณาคือกุศลและอกุศลอย่างนี้ก็คเคสฉันเป็นอย่างนี้มันอาจจะไม่เหมือนของเคสของเขาแต่ว่าหลักการคือตรงเนี้ยเราต้องมาพิจารณาดูตามสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลที่มันจะเกิดขึ้นในจิตของเรา ย, นะย่อยๆเลยได้ไหมคะกุศลกับอกุศล10อย่าง10อย่างก็คือเป็น ค, คู่ๆนะเริ่มจากเรื่องของทางกายนะถ้าการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาลสาอย่างนี้เป็นอกุศลทางกายทาไม่ทําก็เป็นกุศลทางกายทางวาจามี4อย่างคือการพูดโกหกพูดยุยงให้แตกกันพูดเพ้อเจ้อแล้วก็พูดคําหยาบ4อย่างนี้เป็นอกุศลถ้าไม่ทําก็เป็นกุศลทางวาจาและทางใจมี3มอย่าง ค, ความเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของเขาทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราความพยาบาทความคิดอาฆาตและอย่างที่สามคือมิจฉาทิฏฐินี่คือเป็นอกุศลทางใจแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่เพ่งเลงมีความเมตตาไม่มีความพยาบาทแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นกุศลธรรมทางใจในอย่างละสิบอย่างทั้งกุศลและอกุศลเราก็อย่าให้มันมีอกุศลให้มีกุศลเกิดขึ้นในใจของเราเต็มปานค่ะก็เก็บเอาไว้ เป็นหลักในการที่จะพิจารณาในการกระทําของแต่ละท่านกันละกันนะคะสําหรับผู้ที่ฝ่าฝ่ายในการปฏิบัติที่จะให้กิเลสลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปทุกจะได้น้อยลงกราบน้มสักการขอบพระคุณท่านภัยบูนเป็นอย่างยิ่งในวันนี้นะคะเจ้าบาลนมสักการ์พระมหาภับูรณ์ภิปุณโญผู้อำนวยการหลักสูตรหลิ่งเร้นวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านก็ให้หลักการในการที่จะทําให้ต่อไปง่ายๆแล้วสําหรับการที่จะ พิจารณาว่าเราจะทําอะไรอย่างไรดีบนเส้นทางการปฏิบัติของเราโดยการสัมสมนาสนทนาค่ะดาเนินรายการโดยสัมม น, นาณคมนะค ะ, ะก็จะนํารายการนี้มาพบกับท่านฟังกันหมายถึงว่ามาร่วมจากรายการ น, น, นะคะในวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ส่วนในการที่มีตั้งแต่วันจันทร์ละหละ่ะโดยท่านเพิบูลท่านยืนพื้นนะคะที่จะดูแลให้ธรรมะกับท่านฟังทั้งหลายอยูค่ะวันนี้ดิฉันลาไปแต่เพลงเท่านี้นะคะ พู้ทสวัสดีค่ะ